พิจนาสังขารสามสิบสี่สรรพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแค่โรคปตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นอ่านไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป ตาเปสังคาราทุกข้าสาคการคือร่างกายจิตใจ mm. แปร ล, ลูปตานานตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยัยเพราะเกิดขึ้นแล้วแห่เจ็บตายไปตาเปธรรมาอนัสตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทางที่เป็นสังขารแรงไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาตุกันชีวิตตางชีวิตเป็นของม่ยั่งยืน อาวัชสส ม, มัยมามริตะพันอา่านเราจะพึงตายเป็นแทมะระน า, ศ า, ศาริโยตานังเมจีวิตังชีวิตขอ ง, งเรามีความตายเป็นที่สุดรนอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มารณังเมตยางความตายของเราเป็นของเพียงว่าตาควรที่จะสำเวกอาญกระโยงร่างกายนี้อาจิรังที่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตตาปิญญาณ ยา น, นโทนชมอันเขาดึงเสียแลว้วอาทิเพลตดีจากนอนซักป่าเวิงซึ่งแผ่นดินก า, าริงภารีวาประดุจังว่าต้นไม้และตน้นพื้นมีรัา